บรุษที่โลกรอคอยเมื่อเรามองหาผู้ที่เป็นอัศจรรย์ที่อยู่ในสถานะที่เราพอจะสามารถเข้าถึงได้บุคคลสุดท้ายที่เรายกย่องว่าเป็นอัศจรรย์เป็นพระชราที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครอยู่ป่าอยู่เขาห่างไกลความเจริญ ในวันที่ประเทศชาติของเราตกอยู่ในสภาวะกำลังจะล่มสลายผู้คนในประเทศและทั่วโลกได้รับผลจากวิกฤตทางเศรษฐกิจในครั้งนั้นโดยทั่วหน้าผลกระทบในประเทศของเราหลายครอบครัวต้องพลัดพรากจากคนที่เป็นที่รักผัวหน้าครอบครัวชิงค่าตัวตายหนีความล้มเหลวผู้คนจำนวนมากมีหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวจากค่าของเงิน คนอีกจํานวนนับไม่ถ้วนที่ต้องตกงานสังคมเสื่อมซามลงอย่างรวดเร็วแล้วพระชรารูปนั้นก็ได้ทนฝืนสังขารที่ร่วงโรยออกมากระตุ้นให้คนไทยสร้างความสามัคคีในชาติด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาของท่านอย่างสุดประมาณท่านให้กําเนิดโครงการพ้าป่าช่วยชาติเพื่อนําเงินและทองคําที่ได้เข้าพระคลังหลวงท่านต้องฝืนสังขารที่ชราตามอายุไขเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อเทศนาสั่งสอนให้ทุกคนสำนึกถึงความเป็นชาติไทยและชี้ให้เห็นถึงโทษของการแตกสามคัคคีสอนให้คนไทยมีความรักในสถาบันชาติศา ส, สนาและพระมหากษัตริย์ธรรมเทศนาของท่านสามารถดักใจคนได้เป็นอัศจรรย์ดังที่เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหารบ่อยครั้งที่มีผู้คิดเถียงท่านในใจแต่ด้วยญาญอย่างรู้ท่านก็สามารถพูดให้บุคคลนั้น รู้ว่าท่านทราบในภาวะจิตของเขาเหล่านั้นว่าเป็นเช่นไรท่านสามารถสอนให้เห็นแจ้งบรรลุจุดมุ่งหมายของเทศนานั้นเป็นอัศจรรย์คือมีคําสอนเป็นอัศจรรย์หรืออนุสาสนีปาฏิหารปาฏิหารสองประการนี้เราสามารถเห็นและสัมผัสได้ส่วนอิทธิปาฏิหารคือการแสดงฤทธิเดชเป็นอัศจรรย์ประการสุดท้ายนี้หลายๆคนได้รู้ได้สัมผัสจากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัว และยอมรับนับถือท่านในส่วนนี้แม้หลายคนจะบอกว่าสองข้อแรกยังพอเห็นพอสัมผัสได้แต่ข้อสุดท้ายนี้ยังไม่แน่ใจแต่แม้ท่านจะมีคุณวิเศษในปาฏิหารเพียงข้อเดียวก็นับว่าเป็นบุคคลอัศจรรย์ของโลกในยุคในสมัยนี้แล้วเมื่อมีสองข้อก็นับว่าวิเศษยิ่งขึ้นไปอีกแต่เมื่อพิจารณาดูให้ดีจะพบว่าท่านมีปาฏิหารครบทั้งสาประการ อันนับว่าเป็นคุณวิเศษที่สร้างได้ยากที่สุดเป็นบุรุษที่โลกรอคอยเป็นบุรุษที่หาได้ยากยิ่งท่านมีครบถ้วนทั้งสามประการนั้นจริงๆไม่บกพร่องในข้อใดข้อหนึ่งเลยในเรื่องการแสดงฤทธิเดชเป็นอัศจรรย์ที่เราทุกคนสามารถสัมผสัสได้เห็นได้เป็นอย่างเดียวกันหมดก็คือท่านใช้ลมปากที่นุ่มนวลผ่านเจตนาอันบริสุทธิ์ ผสมเมตตาอันไม่มีประมาณกลั่นออกมาเป็นเทศนาสั่งสอนให้คนในชาติเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของโครงการผะป่าช่วยชาติอีกทั้งเราเชื่อว่าถวยเทพในสวรรค์ทุกชั้นฟ้าเทวดาในทุกภพทุกภูมิก็ได้ร่วมอนุโมทนาสาทุ ก, การในการแสดงอิทธิปาฏิหาในครั้งนี้โครงการผะป่าช่วยชาติจึงสามารถรวบรวมเงินสกุลต่างๆอีกทั้งทองคาจานวนมหาศาล อย่างที่ไม่มีผู้อื่นใดในโลกจะกระทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจตนาที่ไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนแม้แต่น้อยแต่ได้อย่างประโยชน์อันไพศาลให้บังเกิดแก่ทุกคนในประเทศไม่เลือกเหล่าเลือกเชื้อชาติลัทธิการถือศาสนาที่ต่างกันแต่ทุกคนในประเทศได้รับประโยชน์แห่งการแสดงอิทธิปาฏิหารในการนี้ทั่วทั่วกันหมด เราถืออย่างสุดหัวใจว่าท่านเป็นผู้ที่มีปาฏิหาริย์ครบทั้งสามประการซึ่งยังประโยชน์ให้เกิดแก่ทุกคนในชาติตราบนานเท่านานยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่เพียรแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจพยายามสแสวงหาพระผู้ทรงพลานุภาพมีอิทธิปาฏิหาริย์ที่จะสามารถบรรดาลสิ่งอันพึงปรารถนาได้หรือแม้แต่อยากพบอยากเห็นพระผู้ทรงคุณอันวิเศษนั้นเพราะถือเป็นบุญที่ได้พบ แต่ก็ไม่ได้มีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันในคุณอันวิเศษนั้นนอกจากคาบอกเล่าหลายคนพร่ำพรรณนาถึงพระเทระเจ้าที่ล่งลับไปแล้วไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสได้ด้วยตนเองจนทำให้พลาดโอกาสอันดีที่จะได้พบได้เห็นบุคคลที่โลกรอคอยบุคคลอันถือได้ว่าเป็นอัศจรรย์เหนืออัศจรรย์ใดในโลกณยุคสมัยนี้บุคคลอันมีอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่เป็นเครื่องรองรับ และไม่ต้องมีใครมาบอกเล่าเราทุกคนสามารถสัมผัสถึงคุ ณ, ณวิเศษของท่านได้ด้วยตัวของทุกคนเองสามารถพิสูจน์ได้และสามารถใกล้ชิดในธรรมของท่านได้บุคคลที่กล่าวมานี้คือพระธรรมวิสุทธิ์ที่มงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีพระมหาเทระผู้ทรงคุณอันบริสุทธิ์วิเศษและงดงามไม่มีประมาณ เจ้าประคุณของเราถึงกับเคยกล่าวไว้ว่าเมตตาของลุงตามหาบัวยานสัมปันโนที่ได้ทำโครงการพับป่าช่วยชาตินั้นเปรียบเสมือนผืนแผ่นฟ้าที่โหมคลุมผืนแผ่นดินหลวงชื่อบันณศาลา15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551ด มีพระหนึ่งเป็นยอดคนไหว้วนห้นไปจากการไหวเวียนปฏิบัติเมตตาบูชาพระพุทธองค์เป็นพระอริยสง์มหาบุรุษ หนึ่งเดียวพระมหาบัวสุนรวมศรัทธาพระมหาบัวลูกน้องบูชา